บทที่ 6. เลือกเกิดใหม่เมื่อวางโทรศัพท์จากพฤหัสเพียงคิดว่าจะยกหูโทรศัพท์หาณเลจองเริกก็เกิดความตื่นเต้นขึ้นมาอีกเด็กหนุ่มเม้มปากแน่นพยายามทำใจให้สบายไม่เห็นเป็นเรื่องพิเศษพยายามจดจ้องโทรศัพท์อย่างมีสติหลายวูบนึกอยากให้หนัาชาเลเป็นฝ่ายโทรหาเขาก่อนเพื่อที่ว่าเมื่อหล่อนครั้จะคุยกับคนหน้าเบื่ออย่างเขา เขาจะได้ไม่ต้องเสียหน้ามากนะักแต่เมื่อรู้ตัวว่าขี้ขลาดขนาดคิดเช่นนั้นก็นึกอนาจใจตนเองและพยายามขจัดมันทิ้งไปจากหัวแล้วในที่สุดลูกฮึดก็มาจองเริกกระตุกกระบอกโทรศัพท์ออกจากแป้นแบบปุปปบรับฉับพลันรัวนิ้วกดเบอร์ยิบด้วยความชำนาญของนักพิมพ์สัมผัสหูแนบกระบอกนิ่งแต่พอได้ยินสัญญาณตูดยาวก็ใจสั่น ต้องกระเดือกน้ำลายลงคอฝืดฝืดเสียงสัญญาณในสายโทรศัพท์ธรรมดาธรรมดาฟังหลอนหูได้อย่างน่าแปลกคล้ายมันเตือนว่าอีกไม่กี่อึดใจข้างหน้าจะถึงเวลาสอบปากเปล่าครั้งสำคัญหากสอบไม่ผ่านจะถูกตราหน้าเป็นนายกระจอกจีบผู้หญิงไม่ติดแต่ขณะรอการรับสายจากปลายทางด้วยใจที่เต้นระทึกโครมครามนั่นเองจองเริก็มีความสุขแปลกๆไปด้วย แม้เป็นสุขทึบๆอย่างคนยืนท่ามกลางหมอกมัวมองไม่เห็นจุดหมายชัดเจนอย่างน้อยเขาก็ไม่เคยสัมผัสข้าคืนชนิดนี้เลยตลอดช่วงเวลาแห่งความเป็นวัยรุ่นเหมือนบังคับตัวเองให้ลองกินน้ำหวานรสแปลกใหม่มีริกษกฏให้มึนเมาแต่เร้าใจอยากไหลไปตามฝันแม้หว่นกับปลายทางอยู่ในสวนลึกลมหายใจสะดุดขาดห้วงเมื่อมีเสียงตอบรับจนได้ฮัโลโหล เสียงทักนั้นปลุกเขาจากฝันส่วนตัวขึ้นสู่ฝันในโลกที่มีตัวตนของนัตเชเลอยู่จริงบังเกิดความประมาทเมื่อดาว่าคงเป็นหลอนนั่นเองซายเหรอเขาพยายามร่าเริงแต่ช่วยไม่ได้ที่หางเสียงสั่นพร่านี่เราเลิกนะไม่ใช่ทายค่ะรอสักครู่นะจองเลิกปิดตาลงผ่อนระบายลมหายใจยาวเยียดอย่างน้อยก็มีจังหวะพักยกให้คลายสภาพกดดันนิดหนึ่ง สวัสดีค่ะและแล้วเจ้าหล่อนก็มาเสียงหวานใสที่ก่อมโนภาพเหมือนรอยยิ้มของดอกไม้จองเริกอัดลมเข้าปอดลึกๆราวกับถึงเวลาออกเวทีในละครโรงใหญ่เป็นครั้งแรกทรายนี่เริกพูดนะสำเนียกเสียงจากปากตนเองรู้สึกว่าไม่พลาเพี้ยนอย่างเมื่อครู่ค่อยโล่งอกทำธุระอะไรอยู่หรือเปล่านั่นคือประโยคทักทายที่เพื่อนธรรมดา เริ่มเปิดฉากโอภาปราศัยทางโทรศัพท์กันเบิกตานิดหนึ่งเมื่อคิดว่าได้ผลจิตใจเขาสงบลงอืมว่างอยู่พอดีว่างไงสัมผัสได้ถึงความเต็มใจจะคุยจากปลายสายหรือกระทั่งมีว่แววดีใจเล็กๆแฝงอยู่ในน้ำเสียงนั้นด้วยซ้ำและนั่นก็ทำให้จองเลิกใจชื่นขึ้นอกักโขครู่ที่ผ่านมาหวาดกลัวก็เพียงเพราะคิดมากไม่เข้าเรื่องไปเอง สี่เวลานั่งคิดมุกพิสดารเป็นชั่วโมงด้วยความโง่เง่าเต่าตุ่นแท้ๆเราดีใจนะที่เจอ้ายอีกในวันนี้เขาพูดโดยไม่ได้ตระเตรียมไว้ล่วงหน้าแต่กลันออกจากความรู้สึกที่แท้จริงในขณะนั้นช่วงินาทีที่เกิดความเป็นตัวของตัวเองเต็มบริบูรณ์จองเลิกรู้สึกถึงมิตรภาพหน้าอบอุ่นและสายสัมพันธ์อันดีนั้นก็ทาให้ทราบเองว่า ควรพูดอะไรไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปายก็ดีใจเหมือนกันเพื่อนสาวตอบกลับโดยปราศจากความเคอะเขินเพราะเป็นขอบเขตที่เพื่อนเก่าจะรู้สึกต่อกันได้โดนพ่อแม่ดุหรือเปล่าเรื่องทเทอรเข้ามาอยู่ในบ้านน่าเหรอไม่ว่าอะไรหรอกายไม่เคยโกหกเพราะงั้นคำพูดไหนคุณพ่อคุณแม่ก็เชื่อหมดแหละนั่งคุยกันเกือบสองชั่วโมงถึงเพิ่งรู้ว่า ทั้งบ้านมีแต่หล่อนกับเขาตามลําพังเมื่อพ่อแม่ของหล่อนกลับมานาทีแรกที่นัชเลพาไปไหว้นั้นพวกผู้ใหญ่ทําหน้าประหลาดใจเพราะไม่เคยเห็นนัชเลพาใครมาบ้านพร้อมกันก็ชักสีหน้าด้วยความไม่พอใจที่เห็นลูกสาวอยู่กับเพื่อนผู้ชายตามลําพังแต่พอนัชเลเล่าความเป็นมาเป็นไปทุกประการตามจริงผู้เป็นบุพการีก็รับทราบด้วยความเข้าใจ แถมคุณพ่อของณชะเลยังมีน้ำใจเอารถออกมาส่งถึงเขตที่คิดว่าปลอดภัยพอเสียอีกความจริงเรื่องมันบังเอิญเสียจนเหลือเชื่อนะเด็กหนุ่มเปรยก็งั้นแหละพอเริกกลับก็โดนซักนิดหน่อยเหมือนกันว่าเป็นเพื่อนตั้งแต่สมัยไหนจะรู้ได้ไงว่าเรากิกไม่ได้ก่อคดีแล้วหนีตำรวจมาจองเรกิกหัวเราะเสียงดังถึงเวลานี้เขารู้สึกผ่อนคลายเต็มที่แล้ว แล้วสายอธิบายว่าไงก็บอกว่าเิกเหมือนเพิ่งเล่นกีฬามาจริงๆเหงื่อนี้ท่วมเลยเหงื่อจากการวิ่งหนีกลุ่มชายชะกันที่ไร้รอยยิ้มต่างหากเล่นแบดไม่โรมขนาดนั้นหรอกนัชเลหัวเราะสัมมวนอันเกิดจากประสบการณ์ชิวเฉียดจวนเจียนของเขาเก่งนะที่หนีทันตอนแรกเลิกหน้าตื่นมากเลยละ่ะเห็นแล้วรู้ว่าต้องหนีอะไรที่น่ากลัวมาจริงๆ เขาเรียกวิ่งไม่คิดชีวิตไงเกิดมาไม่เคยโดนสหาบาทาแต่เราถูกว่าเจอทีเดียวหน้าตาคงเปลี่ยนไปเยอะพวกผู้ชายนี่ชอบมีเรื่องกันจังสายเกลียดเกลียดแต่เราไม่ได้ไปหาเรื่องเขาก่อนนะก็ดีแล้วถ้ารู้ว่าพานหาเรื่องคนอื่นก่อนยังไงสายก็ไม่ช่วยหรอกจองเริกอึกอักเล็กน้อยเออฝากขอบคุณ คุณพ่อทรายอีกครั้งนะที่ช่วยขับรถออกมาส่งถึงป้ายรถเม์ห่างจากหมู่บ้านตั้งหลายกิโลโอเคแล้วจะบอกให้เลิก ม, มาเล่นแบดแถวนี้ประจเหรอพอดีเป็นครึ่งทางระหว่างบ้านเรากับบ้านเพื่อนคราวนี้ก็คงต้องย้ายที่เล่นแล้วดิจองเลิกหัวรอกกร่อยก็คงสักพักไม่รู้เขาอยู่แถวนั้นกันหรือเปล่าแต่หน้าตาเราลืมง่าย สองสาเดือนเห็นอีกทีเขาก็คงไม่แน่ใจแล้วมัง้งแต่ซา ย, ยังจำเลิกได้แล้วก็เป็นฝ่ายจําได้ก่อนด้วยแสดงว่าต้องมีเอกลักษณ์ไม่เอาหลอกนกชเลตอบแบบย่นจมูกพูดเล่นแบทไม่เห็นมันเลยงั้นเล่นอะไรแล้วมันเล่นกับอุ้ยโหยจองเลิกอ้าปากค้างไป น, นิดหนึ่งชักไม่ชอบหน้าหมาตัวนั้นขึ้นมาตงิด ต, ตงิดนึกถึงสำนวน ถ้ารักฉันก็จงรักหมาของฉันด้วยขึ้นมาทันทีตอนเห็นมันก็นึกเอ็นดูอยู่หรอกแต่พอณทะเลบอกว่าไม่ชอบกิจกรรมอื่นใดนอกจากเล่นกับมันขเขาก็ชักละเหียกับอนาคตยาวๆข้างหน้าเสียแล้วเล่นกับหมาไม่ใช่การออกกำลังนี่ใครบอกเด็กสาวสวนคำทันทีพาเจ้าอุ๊ยหยไปวิ่งหรือเล่นซ่อนหากับมันทีไรซายก็ได้เหงือทุกทีแหละ คำพูดทุกคำของนชเลททำให้รู้สึกว่าชีวิตของหล่อนหายใจเข้าออกเป็นเจ้าอุ้ยโหยเสือจริงๆโลกนี้ไม่มีความยุติธรรมเลยนะแม้แต่สัตว์ก็มีระดับชั้นวรณนะบางตัวมีสิทธิ์เล่นกับคนครองเวลาส่วนใหญ่ของคนเสียด้วยบ่นแกมประชดแต่นชเลไม่ทันรู้สึกจึงโต้อตอบไปตามเรื่องกรรมจาแนกไงวิบากกรรมนั่นแหละตุลาการผู้เที่ยงธรรมที่สุด ถ้าจะถามหาความยุติธรรมจากโลกนี้ก็มีแต่กฎแห่งกรรมที่หวังพึ่งได้เมื่อไม่เห็นกันต่อหน้าจองเลิกก็รอบเยียดยิ้มนิดหนึ่งไม่เชิงว่ายันแต่ด้วยความรู้สึกว่าณชะเลน่าจะมีสิ่งที่หลอนยึดมั่นและพูดถึงบ่อยอยู่แค่สองเรื่องคือเจ้าอุ้ยโหยแล้วก็เรื่องกรรมคิดจีบหลอนเขาคงต้องพูดสองเรื่องนี้ให้เก่งบ้าง แล้วกรรมแบบไหนที่ทำให้สัตว์บางพวกเกิดมาพร้อมโอกาสคลุกคลีและได้รับความเมตตาเอ็นดูเป็นพิเศษจากมนุษย์ในขณะที่เพื่อนสัตว์อีกค้อนโลกไม่ได้รับโอกาสนั้นอย่างยอกเชียร์ของซรายเนี่ยจะไม่มีใครเห็นมันวิ่งเป็นหมาข้างถนนเด็ดขาดเพราะถ้าหลุดจากบ้านไหนต้องมีใครจับไปเลี้ยงทันทีจับไปขายมากกว่านชเลบอกยิ้มยิ้มก่อนขายข้อกังขาของเขาในขอบเขต ความรู้ที่ได้รับจากหมอดูอุปการะพวกหมาที่มีเสน่ดึงดูดมนุษย์ให้ยอมเหนื่อยประครบประงมดูแลเป็นอย่างดีเนี่ยมักจะเคยมีความผูกพันที่พิเศษกับมนุษย์มาก่อนนะอย่างายกับเจ้าอุ้ยโหยอาจเป็นแม่ลูกกันมาก็ได้ายถึงพิสวาสรมันสุดใจตั้งแต่แรกเห็นและที่มันน่ารักมีขนเงา ง, งามมีรูปร่างหน้าเอ็นดูกว่าสัตว์อื่นเหมาะกับการเป็นเครื่องประดับบรารมีคน อันนี้อาจเพราะตอนอุ้ยโหยเป็นลูกเราเคยทำตัวน่ารักพูดจาอ่อนหวานอยู่ในศิลธรรมอันดีก็ได้ปลายประโยคเสียงสั่นเครือขึ้นมาเฉยเฉยแม้หล่อนไม่อาจทราบอดีตชัดแต่พอพูดแล้วคล้ายเกิดห่วงความรู้สึกสัมผัสความจริงขึ้นมาวูบหนึ่งชัดลึกพอจะสะเทือนเข้าไปถึงหัวใจจองเริกเม้มปากซ่อนยิ้มเรากับกลัวน้เลมองเห็นเขาเ อ, อ่ยถามอย่างระมัดระวังไม่ให้เจออาการหัวเราะ ตกลงมันเคยเป็นคนเป็นลูกทรายน่าจะและที่มันกล้าเกินตัวที่มันเย่อหยิ่งจองหองขนาดนี้ล่ะกรรมอะไรจะสันมามันอาจจะเคยปกป้องทรายทั้งที่ยังเล็กอยู่มากมั้งความกล้าเกินตัวกับความเย่อหยิ่งนี่พักพวกกันอยู่แล้วเด็กหนุ่มอดหัวเราะไม่ได้เพราะนึกว่าเป็นเพียงการสันนิษฐานเรื่อยเฉยของเพื่อนสาวแต่ท่าทางตอเป็นตุเป็นตะ ชาติฉานรากับรู้จริงซึ่งก็เป็นปกติของเด็กสาวช่างคิดฝันและชอบปักใจเชื่อจินตนาการของตัวเองแปลว่าพวกหมาอวดเก่งอย่างเจ้าอุ้ยโหยนี่เคยสละชีพเพื่อนายมาก่อนทั้งนั้นเหรอคำถามของจองเริกทำให้นัชเลตระหนักว่าตนเองช่างรู้เห็นคับแคบหล่อนเพียงทราบตามทฤษฎีว่ากรรมจำแนกสัตว์เป็นต่าง แต่ถ้าไม่มีคนบอกก็จะไม่รู้เลยว่ายกเชียร์ตัวอื่นๆไปทำอะไรมาพวกมันถึงชอบแสดงความเก่งกล้าเกินกำลังไม่รู้ซีเด็กสาวยอมรับตามตรงไม่ฝืนแสดงความเห็นที่ตนไม่แน่ใจซายรู้แต่ว่าสัตว์แต่ละสายพันธุ์จะมีคุณสมบัติสามมันเหมือนๆกันและที่เป็นอย่างนั้นก็ด้วยสูตรผสมกรรมแบบเดียวกันนั่นเองจองเกิกอมยิม้มคาว่าสูตรผสมกรรม ของนชำเลทำให้เขานึกถึงเครื่องดื่มผสมแบบที่เรียกว่าค็อกเทลแต่ละสูตรอาจมีทั้งน้ำผลไม้น้ำหวานและแอลกอฮอล์สุดแท้แต่ใครจะรีเริ่มหรือกระทั่งอุตริทดลองให้วิจิตพิสดารไปต่างๆตามอัธยาศัยถ้ากรรมเป็นผู้จำแนกสัตว์จริงแต่ละสายพันธุ์สัตว์ก็เป็นรสของค็อกเทลกรรมนั่นเองนะน้เลยิ้มกว้างอย่างสนุกกับคนมีจินตนาการทันทันกันถ้าเปรียบกับค็อกเทล คนเราส่วนใหญ่จะเป็นเจ้าของสูตรเหม็นขมกินแล้วหนักไปทางมึนเมาน้อยรายเป็นเจ้าของสูตรหอมหวานกินแล้วหนักไปทางสดชื่นว่าแต่เริกกินเหล้าหรือเปล่าถ้ากินนี่มีความผิดขนาดโดนซายเลิกคบเลยไหมเด็กสาวหัวร้อใส่ทายไม่ได้ธรรมะธรรมโมขนาดนั้นหรอกถามดูเพราะเห็นเอาเรื่องกรรมไปโยงกับค็อกเทลได้เราก็กินมั่งแต่ไม่ชอบเท่าไหร่ เคยกินที่บ้านเพื่อนแล้วเมาจนพวกต้องพยุงไปนอนอ้วกริมนาตั้งแต่นั้นเลยเข็ดเราว่าสูตรผสมกรรมของเจ้าอุ้ยโหยทำให้มันโชคดีนะที่เป็นสัตว์บ้านอยู่รวมกับคนได้และรับความเผื่อแผ่ต่างๆจากคนได้ถ้าเกิดเป็นสัตว์ป่าก็หมดสิทธิ์เลยชีวิตพวกมันไม่เอื้ออำนวยที่จะให้มาอยู่กับคนคิดง่ายๆเฉพาะในไทยนี้ถ้าเอาสัตว์ป่ามาเลี้ยงก็ผิดกฎหมายแล้ว เพราะถือว่าเป็นการทรมานสัตว์ทำให้การกินอยู่และการแพร่พันธุ์ผิดธรรมชาติน้ะเลพยักหน้าให้กับกระบอกโทรศัพท์ถ้าเอามาอยู่ในที่แคบสัตว์ป่าส่วนใหญ่จะอ่อนแอและเสื่อมซึมไร้ชีวิตจิตใจซึ่งก็แปลว่าค็อกเทลกรรมของมันทรงให้เกิดมาเหมาะจะนอนกลางดินกินกลางทรายเท่านั้นจองเลิกแวบคิดขึ้นมา ป, ปรับว่าสัตว์ป่าในถิ่นห่างไกล โอกาสยกจิตเลื่อนชั้นให้เท่ามนุษย์ย่อมยากกว่าสัตว์เลี้ยงที่สัมผัสใกล้ชิดกับมนุษย์น่าสนใจว่าโอกาสที่แตกต่างกันนั้นเป็นเพียงโชคที่ได้มาโดยบังเอิญหรือว่าเป็นวาสนาที่บางสิ่งกำหนดให้เป็นไปเมื่อย่างเข้ามาในขอบเขตความเชื่อเกี่ยวกับกรรมวิบากเขาก็เริ่มเห็นความเป็นไปได้ที่จะอธิบายเรื่องน่าสงสัยต่างๆอย่างสมเหตุสมผล ช่วงเย็นเราอ่านหนังสือที่ซายให้ยืมมาบ้างแล้วเป็นอะไรที่ดีมากเลยเด็กหนุ่มเล่าเพื่อให้เพื่อนสาวพอใจที่เขาไม่ปล่อยให้สมบัติหล่อนเป่าประโยชน์หรือถ้าทางนัชเลดีใจที่ได้ยินเช่นนั้นฟังออกว่าน้ำเสียงกระตือรือร้นของหล่อนเกิดจากความภูมิใจที่ได้ให้อะไรดีๆกับคนอื่นทายเองก็ได้ข้อคิดจากหนังสือเล่มนี้มากอย่างคาดไม่ถึงเหมือนกันแต่บอกตามตรง ตอนแรกที่เลือกจากร้านมาก็เพราะชื่อหนังสือตรงกับใจทรายกำลังอยากเลือกที่เกิดใหม่ให้เจ้าอุ้ยหวยนะ่ะจองเลิกเบิกทานนิดหนึ่ง 5. อย่าหัวเราะเยอะนะแต่ทรายเชื่อจริงๆว่าถ้าอ่านธรรมะดีๆเข้าหูมันใส่บาทพระให้มันเห็นบ่อยๆก็จะทำให้มันจำภาพเสียงที่เป็นกุศลปรุงแต่งจิตมันให้เป็นกุศล นำมันไปเกิดใหม่ในภพที่ดีกว่านี้ได้เสียงบรรยายจ่อยๆบันดาลให้จองเริกยิ้มผ่อนคลายเขายัางไม่ทราบหรอกว่ากรรมวิบากมีจริงหรือเปล่าแต่แค่กระแสเสียงแห่งศรัทธาเชื่อมั่นของน้าเลก็เหนี่ยวนำจิตเขาให้เอ็นเอียงและคล้อยตามได้ทุกครั้งแล้วเสียงทายกล่อมคนให้คิดเรื่องดีๆได้ทำไมจะกล่อมหมาให้ใจเย็นลงไม่ได้จองเิกให้กาลังใจ ซึ่งนัชเลก็หัวเราะขำคำพูดของเขาแล้วเริกละ่ะได้ข้อคดิดดีๆยังไงไหนขยายความให้ทายฟังหน่อยก็แบบกระตุกใจนะ่ะทำนองฉลาดแล้วทำความเดือดร้อนก็ไม่เรียกว่าฉลาดไม่ขยายความให้บริบูรณ์ว่าที่กระตุกเขาได้เพราะแค่เปิดสุ่มมั่วก็ดันเจอข้อความแทงใจราวกับหนังสือเป็นสิ่งมีชีวิตพูดกับเขาได้โดยตรงคือ มนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐที่มีเหตุผลเพราะเหตุผลทําให้มนุษย์คิดในทางประเสริฐได้มากกว่าสัตว์โลกทุกชนิดแต่หลายครั้งเหตุผลก็ทําให้มนุษย์เลวซามได้โดยปราศจากความสํานึกผิดเพราะฉลาดอธิบายไปต่างๆนานาว่าที่ก่อเรื่องอย่างนั้นอย่างนี้มีเหตุผลอันควรอย่างไรถ้าคุณคิดว่าตัวเองฉลาดบอกได้ไหมว่าฉลาดไปเพื่ออะไร หากเป็นไปเพื่อทำความเดือดร้อนแก่ผู้อื่นอันจะสะท้อนกลับมาเป็นความเดือดร้อนต่อตัวคุณเองทั้งชาตินี้และชาติหน้าเช่นนี้อาจแปลว่ามันสมองของคุณฉลาดฉเฉลียวแต่จิตวิญญาณของคุณโง่งมมอาจโง่กว่าหลายคนที่คุณไปดูถูกเขาเสียด้วยซ้ำสรุปให้ง่ายที่สุดคุณจะฉลาดกี่เรื่องก็ตามถ้าโง่เรื่องกรรมเรื่องเดียวก็แปลว่าคุณเอาตัวรอดไม่ได้ และเมื่อคุณเอาตัวรอดไม่ได้ก็แปลว่าคุณเป็นคนโง่ได้มากที่สุดคนหนึ่งถ้าหนังสือเป็นดาบก็นับเป็นดาบที่เสียบแทงทะลุยอดอกของเขาพอดีพอดีเสียจนต้องปิดหนังสือลงด้วยความตระนกและยังไม่อยากเปิดขึ้นอ่านอีกเลยซายบอกได้ไหมเด็กหนุ่มกระแอมถามที่สายนั่งอ่านหนังสือธรรมะให้เจ้าอุ้ยโหยฟังจะทาให้มันเกิดใหม่เป็นอะไรมนุษย์มั้ง จองเริกเดาอยู่แล้วว่านัชเลจะตอบเช่นนั้นและเขาก็มีคำถามเตรียมไว้ในใจอยู่แล้วเช่นกันในเมื่อมันไม่รู้ภาษาทำไมถึงจะได้เลื่อนภูมิเพียงเพราะฟังเจ้านายอ่านธรรมะละ่ะเท่าที่สายรู้มาจากคนน่าเชื่อถือเขาว่าแม้เป็นสัตว์ก็คิดดีได้เกิดกุศลจิตได้ขอเพียงมีเสียงและภาพดีๆไปกระทบหูกระทบตา ถึงแม้สมองมันไม่เข้าใจเนื้อความตามภาษาพูดยากๆของพวกเราแต่จิตวิญญาณเป็นสิ่งรับกระแสรับแสงจากจิตวิญญาณดวงอื่นได้ถ้าฝั่งสัมผัสเ ป, เป็นกุศลให้มันจิตวิญญาณมันจะสว่างขึ้นเรื่อยๆและเมื่อไหร่ถึงจุดที่มันฟังเสียงธรรมะแล้วเกิดโสมนัสเป็นปกติเข้าขั้นไม่เอาบาปสะดุ้งกลัวต่อบาปได้เมื่อนั้นก็นับว่ามีคุณสมบัติ ขั้นพื้นฐานของมนุษย์จิตวิญญาณสว่างพอจะเข้าไปตั้งอยู่ในครันมนุษย์ได้จองเริกกระพริบตาทีๆได้แต่ครางเพียงสั้นอืมทายรู้มาด้วยนะว่าอา น, นิสงฆ์ที่มันได้เพลิดเพลินกับเสียงธรรมะพอเป็นมนุษย์แล้วได้ยินเสียงพระเทศจะเกิดความชอบใจโดยไม่รู้ต้นสายปลายเหตุต่อให้ฟังเนื้อความไม่รู้เรื่องก็จะเกิดความปรีดาปราโมชเสมอ คนที่ทายเชื่อถือนี่คือใครทำยังไงถึงแน่ใจว่าเขารู้จริงก็เป็นพวกมียานนะพี่สาวของทายพาไปหมอดูอมแต่ทายไม่อยากเรียกเขาอย่างนั้นเลยเพราะรู้สึกว่าเขาทำมากกว่าดูหมอทำอะไรทำให้ทายกับพี่สาวเข้าใจและเชื่อเรื่องกรรมหนักแน่นขึ้นทายไปดูหมอเรื่องเจ้าอุ้ยโหยโดยเฉพาะหรือเชื่อแล้วว่ารักมันมากขนาดไหน มีใครเขาทำกันบ้างดูดวงให้หมาด้วยเปล่าไปหาเพราะเรื่องอื่นเลิกไม่เจอเองไม่เชื่อหรอกเห็นหน้าครั้งแรกเขารู้เลยว่าทายกำลังกุ้มเรื่องอะไรขยับจะเล่ารายละเอียดเกี่ยวกับความเดือดเนื้อร้อนใจในเบื้องแรกของตนแต่แค่คิดก็รู้สึกขุ่นเคืองเจ้าแฮกเกอร์ตัวแสบขึ้นมาอีกเลยยับยั้งคาพูดไว้เพราะตั้งใจแล้วว่าจะไม่ผูกพยาบาทแม้ทางความคิดจึงเบี่ยงเบนตัดบท มาสู่จุดสรุปพอเขาไขข้อข้องใจเรื่องที่ซรายกลุ้มได้พูดไปพูดมาก็โยงถึงเรื่องเวียนไายตายเกิดแล้วก็ทายทักว่าถ้าอยากพิสูจน์ง่ายๆก็ให้ดูเรื่องเจ้าอุ้ยโหยที่มีความผูกพันกับทายมาเขารู้กระทั่งว่าตอนจะซื้ออุ้ยโหยซายคิดยังไงนั่นแหละพอเชื่อเรื่องพบชาติจริงๆแบบมีตัวอย่างให้เห็นจัจะทายเลยเกิดกำลังใจ อยากให้มันมีชาติใหม่ที่ดีกว่านี้จองเลิกพยักหน้าคนเรารักใครก็อยากให้สิ่งที่คิดว่าดีที่สุดกับเขาเสมอใช่เลยแต่ก่อนซรายตั้งค่าความรักเจ้าอุ้ยหยไว้ด้วยการเลี้ยงดูมันอย่างดีที่สุดอยากให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่เพื่อปลนเปลอมรู้ไหมทรายเคยอดออมค่าขนมไว้ซื้ออุปกรณ์ตัดขนสุนัขชุดใหญ่ที่ราคาแพงพอๆกับ ตัวเจ้าอุ้ยโหยเพียงเพราะได้ของแถมเป็นสิทธิอบรมการตัดแต่งขนสายอยากแต่งอุ้ยโหยเองกับมือไม่ต้องให้ที่ร้านไหนมายุ่งแต่เดี๋ยวนี้สิ่งดีที่สุดที่สายคิดว่าจะให้มันไม่ใช่แค่เรื่องผิวพันธุ์นั้นแล้วสายจะกำหนดเลือกพบใหม่ที่สูงกว่าอบายภูมิให้กับมันน้ำเสียงหนักแน่นจริงจังนั้นถึงกับทาให้คนฟังอึง้งแปลว่าถ้าพบภูมิมจริงการเป็นมนุษ ดีที่สุดหรือดีที่สุดในมุมมองแต่ละคนไม่เหมือนกันเอาเป็นว่าตามที่ทรายรู้จากหนังสือคือเป็นมนุษย์นี่เลือกทำอะไรได้ยิ่งกว่าพบภูมิไหนไหนทั้งหมดอยากสบยสุขสนุกพิสดารหลากหลายไม่ซ้ำซากจำเจก็ต้องที่นี่อยากเปลี่ยนนิสัยที่สั่งสมข้ามพบข้ามชาติมานานก็ต้องที่นี่อยากช่วยคนเอาบุญหวังสวรรค์ก็ต้องที่นี่ อยากสั่งสมสเสบียงเตรียมเดินทางไกลไปในถ้ำกลางอันตรายของการเวียนว่ายตายเกิดก็ต้องที่นี่หรือกระทั่งอยากถึงความสิ้นสุดทุกข์ก็ต้องที่นี่งั้นถ้าเป็นมนุษย์อย่างเราแล้วก็ต้องคิดเรื่องการเลือกอยู่ต่อให้นานที่สุดแทนการคิดเรื่องเลือกเกิดใหม่สินะนัชเลฟังแล้วสะดุดอีกผุดยิ้มพึงใจในความเป็นคนรุ่นเพียงน้อย แต่ตั้งข้อสังเกตได้มากของเพื่อนหนุ่มเออเนาะถ้ารู้ทางบุญแล้วยิ่งอยู่นานเท่าไหร่ก็ยิ่งสั่งสมบุญได้มากขึ้นเท่านั้นแต่สมัยนี้ทำงานกันงกงกอยู่แค่40สก็หัวใจวายตายกันเป็นใบไม้ร่วงหรือถึงอยู่อย่างมีสุขภาพดีหน่อยราราเจก็ต้องไปไม่ใช่อย่างนั้นหรอกถ้ายังไม่อยากไปก็ผลัดวันตายกันได้ อันนี้ต้องดูจากคนอายุมากที่สุดในโลกเท่าที่เคยมีบันทึกกันมาแล้วจะรู้ว่าร่างกายนี้อยู่ได้นานกว่าที่คิดเขาอยู่ได้แค่ไหนล่ะทายซิร้อยสี่สินัะะเลนึกตัวเลขที่น่าจะสูงติดเพดานความเป็นไปได้แล้วไม่ใช่โหสูงกว่านั้นอีกเหรอไม่น่าเชื่อเลยฉเฉลยเถอะสอง 5. ้ห้าสิบหจริงอะ จริงและที่สำคัญคือเขาลบล้างความเชื่อที่ว่าคนแก่ต้องหลังโกงผิวหนังเหี่ยวย่นเสมอเพราะจนตายก็ยังหลังตรงหนังตึงไม่มีใครเห็นเขามีสภาพเกินชายวัยห้าสิบเลยด้วยซ้ำไม่ง้งาเหอะแม้แต่นิดเดียวแน่นอนคิดดูนะสุขภาพแข็งแรงสายตาไม่ฟ้าฟางเส้นผมกับฟันยังเป็นของแท้ตามธรรมชาติชื่ออะไรชาวอะไรนะ่ะ หลีชุงยุนเป็นชาวจีนเกิดในปี1677ตายในปี1933และนี่ก็ไม่ได้เป็นเพียงความเชื่อเพราะมีพยานหลักฐานพิสูจน์ได้รัฐบาลจีนรับรองว่าหลีชุงยุนมีตัวตนตอนเขาอายุ150แต่เขายังคงอยู่ต่อมาได้อีกร้อยกว่าปีว้าวพอมีคนแบบหลีชุงยุน สายรู้ไหมว่าคำถามที่เขาต้องตอบเป็นประจำคืออะไรทำยังไงถึงจะอายุยืนนะสิใช่และคำตอบจากคนอายุยืนตัวจริงก็มีน้ำหนักน่าเชื่อถือกว่านักวิทยาศาสตร์ที่ได้ชื่อว่ารู้เรื่องวิธีชลอความแก่มากนะักเขาตอบว่าไงมีเคล็ดลับหรือบังเอิญเองมีเคล็ดลับนะสิไม่บังเอิญหรอกลีชุงยุนเน้นการประพฤติปฏิบัติตนไว้หลายอย่าง นับแต่การรู้จักมีอิริยาบถที่ถนอมสภาพความยาวไวัยได้นานๆเช่นกล่าวเชิงอุปมาอุปไมให้นั่งนิ่งเหมือนเต่าหมอบเดินเหินปราดเปรียวกระฉับกระเฉงเหมือนนกพิราบนอนหลับสนิทเหมือนสุนัขแล้วก็มีหัวใจที่สงบเงียบในการดำรงชีวิตนอกจากนั้นนายลียังเป็นมังสวิรัตแล้วก็เป็นคนรอบรู้ในเรื่องการใช้สมุนไพร อย่างหาตัวจับได้ยากเหล่านี้รวมกันทำให้เขาไม่รู้จักแก่แปลว่าเขาจงใจเลือกที่จะเป็นหนุ่มตลอดการใครสอนเขาและเป็นวิชาสืบทอดได้ผลแน่ๆกับทุกคนที่ทำตามหรือเปล่าเห็นว่าลีได้แรงบันดาลใจตอนช่วงอายุราวห้าสิคือไปเจอชาวทิเบตชาราคนหนึ่งเดินเหินคล่องแคล่วอาจจะยิ่งกว่าเขาซึ่งแข็งแรงเหนือคนวัยเดียวกันมาก ตรงนี้เป็นจุดเริ่มความเชื่อที่ว่าการเดินเหินว่องไวกระฉับกระเฉงจะมีส่วนช่วยให้สุขภาพดีและยืดอายุให้ยืนยาวขึ้นกว่าปกตินัชเลยิ้มแบบเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งแค่อิริยาบถก็ช่วยยืดอายุได้เมื่อกี้บอกไงว่าเขารอบรู้เรื่องสมุนไพรด้วยเห็นเชี่ยวชาญเกี่ยวกับยาอายุวัฒนะเป็นยาประเภทไหนเหรอ ก็ประเภทที่ทำให้ธาตุไฟภายในยังทำงานเผาผลาญช่วยกระตุ้นให้ระบบประสาทตื่นตัวได้ตลอดเขากินอาหารสมุนไพรทุกวันจนตายนักวิทยาศาสตร์เอามาวิเคราะห์ดูก็พบว่าเป็นอาหารจำพวกกรดอะมิโนในธรรมชาติซึ่งร่างกายผลิตได้เองอยู่แล้วแถมยังเจอดาดเดินในอาหารที่เราเรากินกันนี่แหละความแตกต่างคือสารช่วยยืดอายุเหล่านั้นถูกทาลายไป ในขณะปรุงอาหารเสียหมดคนทั่วไปเลยชะลอนาฬิกาชีวิตไม่ค่อยอยู่สงสัยเจอห้องสมุดเคลื่อนที่ตัวจริงแล้วสิเราเลิกนี่ท่าทางรู้มากจังนะจองเริกยืดอกยิ้มปลิ้มที่เพื่อนสาวทำเสียงชื่นชมเราเป็นคนชอบอ่านเด็กหนุ่มบอกสั้นๆแล้ววกกลับมาที่ประเด็นเดิมสรุปคือสำหรับมนุษย์นั้นถ้าแค่รู้วิธีและเลือกที่จะอยู่ต่อนา น, าน ความคิดเกี่ยวกับการเลือกเกิดใหม่ก็คงไม่น่าสนใจนักใช่ไหมพวกเราไม่รู้ด้วยตัวเองจริงๆหรอกว่าชาติหน้ามีแน่หรือเปล่าและถึงถ้ามีจริงก็ไม่รู้ว่าจะดีกว่าที่กำลังเป็นอยู่ไหมนัชเลครางอือ อ, อในลำคออย่างเข้าใจกระจ่างว่าเพื่อนหนุ่มคิดอะไรไานก็ยังไม่อยากรีบเกิดใหม่หรอกนะอย่างพวกเราเพิ่งลืมตาดูโลกได้ไม่ถึง20ปีเอง แต่ทายก็สงสัยว่าถ้านายลีมีอายุยืนเกือบสามศตวรรษได้จริงเขาจะพอใจอยู่ไปนานๆเพื่ออะไรเร่กรู้ไหมว่าจุดยืนหรือปรัชญาของเขาอยู่ตรงไหนไม่รู้แฮะอ่านๆมาแค่นี้แหละแต่ฟังทายถามแล้วทำให้เรานึกถึงชายอายุยืนอีกคนดูเหมือนจะเป็นชาวญี่ปุ่นอายุร้อยกว่ า, วาพอใครถามเคล็ดลับของการมีอายุยืนเขาตอบว่าไงรู้ไหม ก็แค่กินง่ายอยู่ง่ายและไม่มีเซ็กซ์สักแอะเดียวฮ่าฮ่คนถามก็มานั่งเมาส์กันต่อว่าห้วยถ้าอย่างนั้นจะอายุยืนไปทําซากอะไรนี่แหละแปลว่ามาตรฐานความรู้สึกของคนทั่วไปการมีอายุยืนคงหมายถึงความหวังจะได้เสพกรามไปนานๆหน้าทะเลหน้าแดงหล่อนไม่ค่อยทันยุคนัก ยังไม่อาจรับฟังหรือพูดคุยพาดพิงเรื่องเสพการมแบบหน้าตาเฉยเช่นสาวยุคเดียวกันแต่ความที่เพื่อนหนุ่มไม่ได้ส่อเจตนาลามกจึงกลั้นใจถามด้วยความอยากรู้แล้วนายลีของเธอให้คำแนะนำแบบเดียวกันหรือเปล่าเปล่าตรงกันข้ามเลยตอนตายนะ่ะเขามีเมียคนที่24ช่ชูนะจำนวนเมียที่มากขนาดนั้นก็เป็นหนึ่งในข้อพิสูจน์ว่าเขาอายุยืนผิดมนุษย์มนาจริงๆ แล้วก็ไม่ได้อยู่อย่างสังกะตายด้วยแย่ yeah. มีอายุยืนได้ขนาดนั้นน่าจะเข้าวัดเข้าวาเอาเวลาไปอ่านพระไตรปิฎกให้จบหรือไม่ก็ทำตัวเป็นประโยชน์กับโลกมั่งก็เขาชอบใจของเขาอย่างนั้นนี่แล้วเขาก็ไม่ได้ยืดชีวิตออกไปเพื่อมีเมีย24คนอย่างเดียวหรอกตอนช่วงอายุ200อย่ังสอนในมหาวิทยาลัยจีนได้เลยมีไทเติลเป็นศาสตราจารย์ด้วยนะการครองตนของคนสูงอายุ แตกต่างกันได้อย่างนี้แปลว่าไม่มีเคล็ดลับที่แท้จริงสําหรับการเป็นบุคคลอายุยืนน่าสิเอาไว้ถึงยุคที่เราแก่ตัวคงไม่ต้องคิดมากเรื่องเคล็ดลับมั้งมโนเทคโนโลยีอาจเป็นคําตอบสุดท้ายสําหรับชีวิตอมะตะอวัยวะส่วนไหนสึกหรอก็สังเคราะห์เอามาเปลี่ยนใหม่น้เลจีบ ป, ปากเหลือบตาขึ้นมองแสงจันทร์นอกหน้าต่างก่อนรำพึง อีกหน่อยคงมีคำถามที่น่ากลัวน่าดูละ่ะว่าเราจะเอาชีวิตอมตะไปทำอะไรกันดีก็อาจจะเอาไว้หาคำตอบว่าชีวิตคืออะไรถ้ายังหาคำตอบไม่เจอก็ยืดอายุออกไปอีกรื่อเรื่อยเด็กสาวหัวรอบแผ่วเพิ่งอ่านจากกินเนส s บุ๊กนะผู้หญิงฝรั่งเศสชื่ออะไรหรุยหรุยสักอย่างอายุ122ปีเพิ่งตายเมื่อไม่นานนี้เอง รู้ไหมบันทึกที่น่าจดจำเกี่ยวกับชีวิตเธอคืออะไรข้อแรกคือเป็นคุณยายอายุมากที่สุดในโลกไม่มีผู้หญิงคนไหนในประวัติศาสตร์เท่าที่บันทึกไว้เอาชนะเธอได้ข้อสองคือเกิดทันหอไอเฟลสร้างเสร็จข้อสามคือเป็นคนแอคทีฟอยู่ตลอดอายุร่วมร้อยยังขี่มอเตอร์ไซค์ได้และก็ได้ชื่อว่าเป็นดาราอาวุโสสุดขีดคือแสดงหนังตอนอายุ114ปี จองเลิกหัวเราะตามก็ไม่เลวนะหน้เลสายหน้าถ้าความหมายของการมีอายุมากคือแรงบันดาลใจให้คนอื่นอยากมีอายุมากตามรวมทั้งพิสูจน์ให้เห็นว่าอายุร้อยปียังขี่มอเตอร์ไซค์ได้สายก็ไม่อยากอยู่บนเส้นทางของคนมีอายุยืนหรอกเล่นบทในละครโรงใหญ่นานแค่ไหนในที่สุดก็ต้องเล่นบทศพไร้วิญญาณครองกันอยู่ดี งั้นซายอยู่เป็นเพื่อนเราสักร้อยปีสิลองมาคุยกันอีกทีดูสิว่าถ้ามีอายุยืนขนาดนั้นเราสองคนจะทำอะไรได้บ้าง